พระธรรมเทศนากันนี้ท่านพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปโนแสดงโปรศนะหมอมหลวงจิตินพวงศ์ที่มาจากกรุงเทพเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2588ณวัดปาบ้านตาัดจังหวัดอุดรธานี การที่สนตกลงตัวเองออกควรจะมีสักนิสัยข้างในเพราะนิสนัยไม่มีปัญหาคนเดียวกับโรคแน่จะมีที่กเกิดขึ้นในร่างกายกของคนคนเดียวก่อนมี ักต่างๆกันรูบางพกพืก็เพียวาขึ้นมาเล็กน้ยอยารับยาลงไปแล้วก็หายรูบางพวกพืชก็หนัก้าไปยื่นกันน่ยาก็ต้องหลักมีอไปขึ้นมีกัรูปบางพวกพืชนักมากถ้ายานี่ มีกนวังขอ น, นี้นมาแค่ไม่มีความแข็งแรงพอคนนันชีวิตของคน น, งงงนั้นก็อาจจะเสียไปได้การบำรุงตัวของเราก็โดด้วยเทียวเส้นเดียวกับยาที่มีโรคที่เกิดขึ้นผ่านในการ ตัวนี้ใสของคนเราถ้าจะเทียบกบเหล็กแล้วก็มีเหล็กสประเภทประเภทที่เป็นเหล็ลหลกก้าเงเหล็กอ่อนเยอะกว่าภาพก็อ่อนเหมือนกันเหล็กที่ดี เยี่ยมในข่างก็เป็นช่างที่ฉลาดก็ดีจะสามารถทำเหล็กนั้นให้ดีเยี่ยมแต่ถ้าในช่างไม่ฉลาดเหล็จนั้นแน่จะเป็นเหล็กที่ดีเยี่ยมตามคุณภาพของตนก็เวลาทําให้จนในช่างทําให้จนเร็กสำเร็จรแล้วก็ อ, อาจจะลดคุณาภาพเลย ยิงเป็นนายช่างไม่มีความฉลาดเพียงสักด์แต่ว่าข้างเท่านั้นแล้วก็ยิงจะทําเลดจริงที่ดีเยียั้นให้เสียแต่ละเลดตั้กลางก่อนมีนนลักษณะเทิดเลยก็ยิงเป็นเหล็กไม่ดีแล้วทําให้เสียเหล็กไปเลยไม่รักไปอยู่แต่อย่างไร คนเราก็เหมือนกันชนนะในช่างนี้มีแยกออกได้เป็นสองประในช่างภา ย, ายถึงเราเป็นอาจารย์สอนเราหรืออาจารย์ภายนอกอาจารย์ภายในอาจารย์ภายนอกเป็นอาจารย์ที่ตลาดสามา จะพึ่งปฏิบัติรู้เห็นเหตุผลนันตามหลักธรรมะโดยแท้จริงผู้กี่มารับโอวาทหรือบรมจากคำสอนของท่านก็เป็นบุคคลที่โรืเทศเหลือเชื่อสามารถจะทำผู้มาอบรมนั้นให้รับ ในรัตถุเป็นภูมิทั้งหมดถ้าก า, ารมีความสลาดถึงขนาดนะั้นูมาอุบลก่ อ, อยรางหนทะ้าสองก็อาจจะัตถผลประโยชน์เป็นภูมิ เป็นอาจารย์ศักดิ์แต่ว่านามของอาจารย์ก็ไม่สามารถแต่ไม่ น, นงสอนผู้มาอบรมซึ่งเป็นประเภทดีเยี่ยงนั้นให้รับผมประโยชน์แต่อย่างอาจารย์ลดกันลงมาก็โกรธได้เกียดอย่างนักสนั้น ต้องถูเอาบุคคลที่มีปณิสัยยี่เทียบกับเด็กกจางๆอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ลองนำลดับคนนึลงมาผลประโยชน์ที่จะถึงที่ถึงจะมาก้ก็ต้องลดลงมาเป็นลำดับ คุณภาพของเหล็กก็ไม่ใช่เป็นเหล็กดีเยียเย่ยมด้วยแลอาจารย์ผู้ที่สอนก็เหมือนกันอาจารย์ก็ลดดุติมาอบรมกว่าก็ลดผนกระตุ้นยากต้องลดเหมือนกันนี่คนประเภทที่สามอาจารย์ก็เป็นประเภทที่สาม ผลประโยชน์ที่จะได้จากการอบรมทางด้านจิตใจ ก, ก็จะกล้ากดว่ า, าความนุ่นความมีสติก็จะคว้าอาจารย์ก็จะคว้าคว้าหาสีพา ห, หมายที่ถูกต้องแต่กลายเป็นความน้ำเหนียวปาอย่างนี้ก็มีอยู่หน่อยคือผู้มาอบรมก็ไม่ไม่รู้เรื่องรุ่นลาในการอบรม จึงต้องมาอบรมผู้ที่จะให้ทำแนะนำ ส, สอนโดยถูกต้องก็ไม่สามารถจะนำธรรมะที่ถูกต้องมาแนะนำ ส, สอนเพราะตนไม่รู้แต่ถ้าเป็นครู อ, อาจารย์ที่กาวมาประเทศที่นีงนั้น ต้อยอมเจอรับประโยช น, น์เพราะอำนาจแห่งความตลาดเช่นเดียวกับในช่างที่มีความตลาดแม้จะเป็นหนึ่ไม่ดีก็ยังจะทําประโยชน์ได้เท่าที่ควนก็แกนะเหล็อเกินก็เฟดนั้หนังเหมือนย้อนเข้าไปถึงอาจารย์ภายในได้แก่ตัวของเราเองที่จะพยายามอบรมแนะนําสอนตัวเองนั้น ก็เพศที่หนึ่งก็คือต้องสังเกตมีเรื่องนิสัยของตัวเองควรจะปฏิบัติต่อตนเองให้มีความหลักเต้าแค่ไหนจึงจะพอเหมาะสมกับวิธีวิัยของตนผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าเราบำเพ็ญหรือดำเนินขนาดนี้ผลเป็นอย่างไรเราต้องสังเก็เมื่อเป็นถึงนั้นเราก็ต้องรู้หนึ่งวิธีจะปฏิบัติต่อตนเองเราจะเป็นคนใาญ่ขนาดไหน ม, มีความละเอียด ขนาดไหนก็จะพราพรบารราจากกา ร, า ป, รฏปฏิบัติต่อตัวเองคือผู้ดีบำเพ็ญแต่ได้โดยง่ายได้ก็เพียงด้รับการอบรมฝังสอนจากครูอาจารย์มาประคฤตปฏิบัติต่อตนเองก็ถหงนผลไปจักเป็นกำดังไปโดยไม่ก็งมีความยากลนมากนะป า, ากับนิสัยของเรายัง หนาแ น, น่นไปกว่า น, นั้นหรือหยาบไปกว่า น, นั้นแล้วก็ต้องรเรื่อข้อวัดติบกับทางด้านปิดใจของเราเข้าไปให้พอดีกับนิสัยของเราเช่นเดียวกับในช่างเขาตีเหล็กทำเรื่องจเป็นประเศษหยาบอยู่การตีเหล็กก็ก็ต้อง ลงกําลังลรงถ้าลดค่อยละเอียดลงไปซึ่งควรจะถึงจุดที่หมายแล้วเขาก็ต้องผ่อนเบาลงไปจิใจข้งเราจะอยู่ในท่านยากการประกอบก็ต้องมีการหนักบ้างเบาบ้าง ถึงจะคุกจะลำบากบ้างก็ต้องฝืนเพราะว่าถ้าจะเทีย่ยวกรบรคแล้วคือโรคที่ต้องการยามากอยู่ยาขนาดเลนน็กนๆที่รับทานไม่ขี่ลงไปในสอก็ต้องเพิ่มปริมาณของยาเพื่อให้ทำกับโรคที่เป็นเท่านั้น ทหนึาถึงอาจารย์ตัวเองเประเภทที่หนึ่งเภิที่สองก็ลดอยากกันลงมามีความสลับรอบคอบต่อการปฏิบัติต่อตัวเองประเพิที่สามมาเลยเหลืองท้งนั้นในสามจิดเป็นยังไงภาวนามาลิดไม่เคยมีความสงบขยังเย็นเลย นั่งเป็นสองนาทีสามนาทีก็จะ็บตาแล้วถึงก็จะร้องหาพอ่อหาแม่ไอ้นี่เดียวนี้เหลือเกินขนนั่งภาวนาสักนิดหนึงก่อนถ้าข้ากับเขาเขาเข้าตะแรงแจงหรือเทียบกับเขาจะนำศาสตเข้าไปสู่ที่ขาดถ้าไม่จริงไม่ใช่เราไม่ใช่ปกเกศศัพท์ที่จะนำเข้าไปสู่ที่ขาด เพื่อนเขียงใคร่แต่เราเข้าสู่สถานที่อบรมเพื่อความร่มเย็นเป็นสิแต่เราแต่กลับที่ความคิดแต่เชาใหม่จึงคากับว่าเจ้าตัวเองเข้าไปข่าและไม่อยากจะทำทำลงบ้างหนึ่งนาทีห้านาทีก็คอยแต่จะตั้งกฎเตณฑ ให้ธรรมะมาครับบัญชาให้ธรรมะแสดงผลออกมาภาวานาไม่ห้านาทีหนาทีไม่เห็นปรากฏมีความสงบเย็นออเย็นก็จะหยุดนะะตั้งกดเกณฑ์ตั้งเวลามีเวลาให้ธรรมะแทนที่จะตั้งเวลามีเวลาตั้งความภาคความเกณย์ให้แก่ตัวเลยก็ตั้งเวลามีเวลาตั้งกดเจนฑข้อกติกาสัญญาทุกอย่าง ให้ธรรมะคำแต่สอนของภูตธเจ้าเยอะหมดบำเพ็ญไปบ้างเล็ ก, ลกๆ น, น้อยๆก่อนัวืจะลบความลำบากคอยจะเอาจากคะแนนอี่เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตมันก็ไม่ปล่อยวางจากความขาดหมายหรือความมุง่งเช่นั้นก็เข้าสู่ปัจจุบันหน่อยหนักเมื่อจิตไม่ปล่อยวางก็แสดงว่าจิตนีม่มีเรื่องเืงดุ เกี่ยวข้องดีทางภายนอกจิตก็มาอย่างเข้าสู่ความสงบเมืม่อไม่เข้าสู่ความสงบความเย็นใจก็ไม่มีเพราะความเย็นใจความสบายใจต้องเกิดขึ้นในขณะที่จิตมีความสงบปราศจากอารมณ์เครื่องกอาะกวนจิตใจถ้าเป็นถ้าเป็นใครก็ตาม บำเพรนนี้ประกอบธรรมะทํามงสอนของพระพิจาเพื่อจิตใจของตนโดยยิธีนี้แล้วผลที่จะปรากฏก็ไม่ค่อยมีเพื่อความถูกต้องตามหลักการบำเพรนของครูมุงนาต่อความจริงซึ่งเป็นธรรมรับรองของพระพิจา ต้องพยายามปรับปรุงตนเองเข้าสู่ธรรมตั้งกฎเกณฑ์ใส่ตัวเองตั้งความภาคความเพียรบังคับตัวเองไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกิด บ, บังคับธรรมของพระพุทธจาาให้มาให้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเป็นถึ่นั้นจะเสียความหวังของเรา เราบกคล้องจิตรงไหนพยายามดัดแปลงตนหรืปรับปรุงจิตที่บกคล้องนั้นอ่าวันนี้ภาวนาได้เท่านี้มีผลอะไรปรากฏขึ้นมาเราต้องสังเกตดูผลที่จะปรากฏขึ้นและในขณะที่นั่งภาวนานั้นเราได้ ส, งส่งจิตไปที่ไหนบ้างหรือไม่การ ส, งส่งจิตออกไปตามอำเภอใจนั้น นั่นไม่ใช่หลักของการภาวนาจะส่งจิตออกไปข้างนอกก็เพื่อรู้เหตุรู้ผลตามหลักของาภาวนาจะส่งจิตเข้ามาสู่ภ า, ายในก็เพื่อรู้เหตุรู้ผลตามหลักของาภาวนาซึ่งมีทั้งข้างนอกข้างในมีเรียกว่าหลักของการภาวนาถ้าเราทำโดยวิธีนี้ได้สักกี่นาทีแล้วผลปรากฏอย่างไรบ้าง หากยังไม่ปรากฏขึ้นมาเอาเพิ่มเวลาเข้าไปอีกมีเหมือนกับเราเพิ่มอย่าเพื่อจะแก้โรคให้หายเป็นลำดับไปต้นกว่าจะเห็นผลปรากฏจากการภาวนาของเราว่ามีผลปรากฏขึ้นท น, นั้นที น, นั้นผลที่ปรากฏนี้เราจะไม่ต้องไปศึกษาหรือต่ถามใครๆทางนั้น ขอแต่หลักของเหตุคือการบำเพ็ญให้สอดคล้องกันกับหลักธรรมะที่พระองค์หรือครู อ, อาจารย์แนะนำทางให้เราทำมเมื่อองค์ของการภาวนาได้ดำเนินไปตามแนวทางด้วยดีแล้วผลจะต้องปรากฏขึ้นมาโดยเราไม่ที่เราไม่ต้องไปตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้นี่เราต้องสังเกตอย่างนี้ เมื่อปรากฏผลขึ้นมามากน้อยได้เห็นประจักษ์กับใจของเรานั่นและจะเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญต่อไปหนึ่งของความภาคความเพียรที่จะพยายามบำรุงจิตใจของตนให้มีกำลังแห่งความสงบหรือความเย็น อ, อกเยนใจให้มากกว่านั้นนั้น มันเป็นเรื่องของศรัท ธ, ธาที่อาศัยความเห็นไปจา ก, จากผลที่ตนได้ดำเนินผ่านมาแล้วนั่นแหละจะเป็นเครื่องสนับสนุส น, นต่อไปยังศรัท ธ, ธาก็ดีวิริยะคือความเพียรก็ดีคันติคือความอดทนต่อหน้าที่ที่ตนกำลังทําอยู่ก็ดีจะเป็นมาพร้อมๆกัน ยองไม่ล้ำเวลาเลยไม่เป็นอารมณ์นอกจากเราจะมุ่งกับหลักธรรมที่เราได้ตั้งประสงค์เอาไว้หรือนอกจากเราจะมุ่งต่อความเพียรของเราเพื่อผลที่ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับเท่านั้นมีหลักของการภาวนาที่จะให้เห็นผล ทุกๆคนไม่มีใครไม่จาลึกการสร้างอำนาจวาสนาบารมีมาแม้แต่ลายหยวจะสร้างไว้มากหรือน้อยเรายังไม่สามารถจะทราบได้เพราะสิ่งที่ปิดบังไม่ให้เราทราบนั้นมีอยู่ภายในใจของเราเยอะเอง เราจรึงต้องอาศัยการขุดค้นวิืีทีนิทพิทจรารณาอบรมติตใจของเราให้เป็นการเพิ่มกำลังวาสนาบารมีขึ้นด้วยการกระทําสิ่งที่เคยปิดบังลี้ลับอำนาจมาราสนาของเราก็ค่อยจะค่อยจะหายจางไปเป็นนํำหมอแล้วตัวของเราเองเราก็จะทราบชัดว่า เรานี่แหลเป็นผู้เด็กสร้างหมาสนาบรรมีมามากน้อยเท่าไหร่ได้ทราบจะจับ ก, กับใจเข้ามาหนอการทั้ง เ, ก, งเกิดนิดสัยของตนเองกับความเพียรที่จะให้เหมาะสมซึ่งกันและกัน เป็นเรื่องสำคัญอย่างนี้ถ้าฝักแต่ว่าทำไปเท่านั้นก็ยากที่จะรู้เห็นเหตุผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำเพียงลอยอยทุกอย่างถ้าเราทำเพียงลอยๆอยไม่มากทั้งโลกการทำไม่ค่อยจะกตาด ผลขึ้นให้เป็นที่คึงพอใจดังนั้นเราจรึงควรสังเกตนิสัยของเรา้า น, นิสัยของเราเป็นนิสัยที่ควรจะเข่นแข็งหรือหนักในประโยคพยายามจึงจะปรากฏผลขึ้นมาเราก็ควรจะทำอย่างนั้นเหมือน อย่างเขาทำนานาบางแสลงทำยากบางแกลงทำง่ายนาของเราเป็นนาที่ทำยากแต่เราจะทำเอาอย่างง่ายได้เหมือนอย่างนาที่เขาทำง่ายๆ่ายนั้นไม่ได้ราะนานี้เป็นนาของเรายากเราก็ต้องทำจะไปทำนาผู้อื่นมันไม่ได้ง่ายก็ต้องทำ นิสัยนี้เป็นนิสัยของเราไม่ใช่ผู้อื่นได้มาสร้างนิสัยประเภทนี้ให้เราเราเป็นผู้สร้างมาที่เองเราต้องเป็นผู้บึกบืนนิขยันขันแข็งพ ย, ยายามดัดแปลงตนเองให้เหมาะสมกับนิสัยของเราที่เป็นนิสัยประเภทนี้ต่อไปก็จะกลายเป็นของง่ายขึ้นมา ในคนผู้มีความอุตสาพยายามผู้นั้นผู้ที่ทำวิตราปดผลได้ง่ายก็มีหน้าที่ที่จะเร่งความภาคความเพียรของตนให้ปรากฏผลขึ้นไปอย่างรวดเร็วจนถึงจิงตหมาจากทางที่เราต้องการ ฉะนั้นการบําเพ็ญความภาคความเพียรในครั้งพุทธการกับสมัยที่วันนี้ในบรรดาประโยคาวจรทั้งหลายจึงมลีลักษณะต่างๆกันในประโยคพยายามบางท่านก็ง่ายบางท่านก็ยากยากก็เป็นเรื่องนิสัยของเราเราก็ต้องทำ ง่ายเราก็ต้องทําเพราะงานอันนี้เป็นงานของเราเราจะไปรอเวลามเวลาหรือให้เป็นหน้าที่ของคุอิ่นมาทำเพื่อเราเหมือนอย่างปลูกบ้านปลูกเคพื่อนหรือทากิจวัตรอย่างอื่นมันเต็มไปไหมห่หลัครูอาจารย์ก็เป็นแต่ผู้แนะนำทางให้ทำส่วนวิธีประกอบ หรือการประกอบนั่นเป็นหน้าที่ของเราวิธีประกอบท่านแนะนำสั่งสอนให้เราในธรรมะบางแขนงวิธีประกอบก็ต้องเป็นอุบายความแยบยของเราเองถ้าเราจะรอคอยเอาจากครูบาอาจารย์ทุกแห่ทุกกระทงอย่างนี้ไม่ทันกับคำเป็นขึ้นภายในจิตใจของเราเราต้องพยายาม คิดค้นหาอุบายโดยวิธีต่างๆเพื่อให้ทันกับจิตใจซึ่งมีแน่งอนมากมาไม่เช่นนั้นไม่ทันกันงานไหนก็ไม่มีงานยากลำบากเหมือนอย่างงานที่จะไปเพื่อ เพื่อข้ามกองทุกข์ที่มีอยู่ในขันและในจิตของเราแต่ละท่านะานะค่ังานนี้เป็นงานอันยิ่งใหญ่ต้องกุ่มเทกำลังลงไปด้วยความภาคความเพียรเพราะผลก็ต้องเป็นผลอันยิ่งใหญ่เมื่อไดถึงขันอันสมบูรณ์แล้วผู้ที่ต้องการ กำไรมากมายก็ต้องลงทุนมากพูดต้องการกำไรเพียงเล็กน้อยการลงทุนก่นเพียงเล็กน้อยถ้าเราต้องการจะข้ามไปเสียทีเดียวเพราะไม่เลยมีอะไรที่จะน่าสงสัยแล้วในโลก น, นี้ไม่ว่าโลกนอกโลกใน ไม่ว่าทุกนอกทุกไวทุกหนมันเป็นเรื่องบีบขั้นทั้งท่านและเราเหมือนกันเราจรึงไม่ควรสงสัยในเรื่องของทุกที่ได้เคยผ่านมาแล้วก็ดีที่เป็นอยู่ณบัดนี้ก็ดีที่จะเป็นไปในอนาคตแห่งขันที่ปรากฏอยู่นี้ก็ดี ที่จะเป็นอนาคตของขันที่จะเป็นไปในการในพบหน้าชั้ น, น้ากว่าอีกมันเป็นเรื่องพบเรื่องธาตุเรื่องธาตุหรือเรื่องธาตุเรืงขันอันเดียวกัน่องความทุกข์จึงจะเป็นอื่นมาจากที่ไหนไม่ได้ต้องเป็นทุกข์อันเดียวกันเช่นเดียวกับไฟ ไม่ว่าไฟเตาไหนไม่ว่าไฟใ น, ในบ้านนอกบ้านไม่ว่าไฟในเตาหรือนอกเตาที่เข้าไปก็ต้องร้อนด้วยกันทั้งนั้นเชื่อเรื่องความทุกข์แล้วไม่ว่าความทุกข์จะมาจากข้างนอกหรือจะเกิดขึ้นข้ายในจะเกิดขึ้นจากกายหรือจะเกิดขึ้นจากใจ มันเป็นเรื่องบีบคั้นเราให้รับความลำบากทรงตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกันเราจรึงควรเรียนให้จบเรื่องของทุกเรียนเรื่องของทุกไม่จบทุขก็ไม่จบเหมือนกันจะค่อยเชืล่อมหกลียกแ่งกันไปน เมื่อเรียนทุกให้จบพิจารณาถึงเรื่องอดีตก็คือเรื่องของทุกที่ปรากฏตือ น, นับบัดนี้จะพิจารณาไปถึงเรื่องอนาคตก็จะต้องเป็นไปเช่นเดียวกับปัจจุบันที่ปรากฏตือนับบัดนี้ม้วนกันลงมาสู่หลักปัจจุบันนี้ให้หมดด้วยอำนาจของปัญญามีชื่อว่ะเราจะเรียนทุกจบ เวียนทุกในขันจบแล้วก็เรียนทุกภายในใจจบเมื่อเวียนทุกในขันก็จบทุกภายในใจก็จบเรื่องจริงที่จะมาก่อเหตุให้เป็นธาตุเป็นขันอีกต่อไปก็ไม่มีสิ่งที่จะมาก่อเหตุให้รับความทุกภายในใจก็ไม่มีสุขก็เป็นอันจบสิ้น เช่นเดียวกันคือรู้เรื่องของทุกข์ขนาดไหนก็ต้องรู้เรื่องของสุขขนาดเดียวกันเพราะเรื่องของสุขของทุกข์เป็นสมมุติเช่นเดียวกันเมื่อรู้เรื่องทั้งสองนี้แล้วความพ้นจากทุกข์จะไม่ต้องไปหามาจากที่ไหน จะเกิดขึ้นจากความรู้ของผู้ที่เรียนทุกจบภายในใจนั่นเองฉะนั้นคำว่าพระนิพพานสำหรับท่านผู้ปฏิบัติตอนหลักธรรมะอันแท้จริงของพระพุทธทเจ้าแล้วจึงไม่ควรคาดหมายไปจากหลักของจิตและขันธ์ที่นี่ เพราะสัตย์จะทำอยู่ที่ไหนเรื่องของพระนิพานได้แก่ความสิ้นทุกโดยประการทั้งปวงก็จะต้องปรากฏขึ้นมาจากทิ่การพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ว่าข้างนอกข้างในเป็นอุบายวิธีที่จะถอดถอนหรือปลดเครื่องจิตใจของตนที่มีความเกี่ยวข้องกังวลกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ให้ถอยตัวเข้ามาเป็นลำดับเมื่อจิตได้ถอยตัวเข้ามาเพราะอำนาจแห่งการพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วเรื่องภาระของจิตก็มีน้อยเข้ามาความกังวลก็มีน้อยเรื่องของทุกข์ก็มีน้อยนี่เราก็พอจะทราบได้ว่าทุกข์นั่นอะ่ะมันมีอยู่ในจิตในขันนี้เนั้นจากกว้างแสนกว้างก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศ หรือธาตุทั้งหลายที่มีอยู่ตามธรรมชาติของตนไม่ปรากฏว่ามากดขี่บังคับเราให้ลักความชอบทรรมเหมือนกับเรื่องของเราที่มีอยู่กับเราทั้งธาตุขันและจิตใจการพิจนารณาเราก็ไม่เินไปจากสถานที่ ตลอดถึงบ้านเรือนใครทำงานตกเหตุขันก็ไม่ต้องไปหามาจากที่ไหนที่จะต้องพิจารณาสติปัญญาก็มีอยู่กับเราซึ่งเป็นนักป้องขวา้ามีอยู่พราะมูลในสถานที่นี้หมดมีอยู่อย่างเดียวว่าเราจะพิจารณาให้ถึง ที่ถึงฐานจริงหรือไม่เท่านั้นถ้าพิจานาให้รู้เรื่องของสัจธรรมซึ่งเต็มอยู่ภายในการในจิตของเราอย่างเต็มที่แล้วเรื่องความสิ้นสุดแห่งทุกข์ซึ่งเคยเป็นเครื่อง ปิดพันจิตใจของเราเราก็จะปรากฏขึ้นในสถานที่ความยืดยื้อแห่งภพแห่งชาตินั้นหากว่าเป็นสิ่งที่เรานับต้าอ่านได้ได้เขียนไว้เหมือนกับเราเขียนหนังสือแล้วไม่มีกองใดๆที่จะ ใหญ่โตหรสืสูงยิ่งกว่ากองบัญชีแห่งความเกิดตายของหเราแต่ละหลายละลายเกิดพบนี้ก็จดไว้ในพบนี้มีทุกปรากฏขึ้นขณะไหนบ้างจดไว้วันนี้ทุกเกิดมากน้อยเท่าไรจดไว้วันหน้าเกิดเท่าไรจดไว้เดือนหน้ามีเท่าไรจดไว้จนรวมทั้งหมดในชาตินั้น มีทุกประมาณเท่าไหร่แล้วอีกพบหนึ่งหนึ่งที่จะติดต่อกันมาเป็นลําดับจนกระทั่งถึงวันนี้มีกี่พบกี่ชาติแต่ละพบละพบแต่ละชาติละชาติมีกี่เมื่อกี่วันกี่ปีกี่เดือนของชีวิตในพบนั้นๆแล้วมีทุกเจือปนมาในวันนั้นๆัปีนั้นๆัพบชาตินั้นๆเท่าไหร่เราต้อง อ่านตลอดกับตลอดกันก็ไมจ่จบในประวัติของเราคนเดียวนัเท่านั้นนี่ความยืดยือยดย้อแห่งยืดยื้อแห่งผุกเป็นมาเช่นนี้้าเราได้สามารถได้จารึกความเป็นมาของเราตั้งแต่ต้นพบต้นชาติมาจนกระทั่งถึงบัดนี้จะไม่มีแผ่นดินที่ไหน ไว้บัญชีเรื่องทุกของเราที่ ท, ำทํำสถิติเอาไว้และโลกนี้กว้างกัขนาดไหนเพียงบัญชีของเราคนเดียวก็หาที่ไว้ไม่ได้แล้วแล้วบัญชีของคนอื่นสัตว์อื่นเขาจะเอาไว้ที่ไหนท้องฟ้ามาหาสมุทรไม่มีที่ไว้แล้วมันเต็มไปด้วยกองทะเดียนบัญชีเรื่องของความเกิดความ ทุกความทรมารมความล้มหายตายจากภวาพราพักซึสัตว์แต่สังขารทั้งของเขาของเราผับสนกล ต, ตุ่เตกันมาอย่างนั้นเต็มไปหมดไม่มีที่ไหนพอจะเอาปลายเข็มแยงลงได้ล่าจะไม่ถูกกองมันทีของเรา แล้วไปอีกอนาคตข้างหน้านั้นก็คือธรรมาชาติกิจ ด, ดวงนี้เองที่จะวางร่องรอยของตนไปเป็นลำดับลำดับเช่นเดียวกับได้วางร่องรอยของตนมาแล้วจนถึงบัดนี้ไปที่ไหนเหยียบแต่พบแต่ชาเหยียบตั้งแต่กองทุกข์ของตนมันยั่งค้ำคืนยั่งลุง่ง ทุกซ้ำทุกทุกภายนอกได้จากทุกในขันทุกภายในได้จากทุกภายที่ใจแม้ทุกวันนี้ก็มีอยู่เช่นนั้นทุกซ้ำทุกทุกแล้วทุกเล่าอยู่ภายในขันเป็นอยู่ตลอดเวลาถึงเราจะไม่มีการเจ็บไข้ใดปวดก็ตามเรื่องของทุกประจําขันต้องย่ําแล้วย่ําย่ําเล่าอยู่อย่างนั้นทุกทุกคน ทุกๆสัปทุกภาราใจก็ต้องมีย่ำกันไปย่ำกันมาจนหาที่อ่านไม่ได้เพราะเขียนซ้ำรอยัปถ้าหากว่าเราจะเขียนกวีาดีทุกซ้ำลอยกันก็จนอ่านไม่ออกไม่ทราบว่าซ้ำกันสกกี่มากน้อย แล้ยังจะซ้ำไปอีกข้างหน้าสักเท่าไรไม่มีประมาณเลยในชาติที่เราเห็นประจักษ์อยู่นี้นับว่าเรามีอำนาจวาสนาบ า, ามีมากยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งได้พบพระพุทธศาสนาไนวางเหตุผลอันเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ นั้น ล, ลุออกมาจากพระโอษของพระพธิเจ้าซึ่งมีดวงหัดไทยอันบรสุเต็มที่บอกไว้ทั้งเหตุทั้งผลแห่งความดีความชั่วของสัตว์แต่ละลายละเหลา่าแม้พระองค์ท่านจะพนน า, าถึงเรื่องของพระองค์ก็คือเรื่องของเหล่านั่นเองเพราะจัจธรรมของพระพธิเจ้าก็คือเรื่องของทุกเรื่องของสมุทยเหมือนกันเรื่องของ มากคือข้อปฏิบัติบำเพ็ญตนเองและนิโรธะความดับทุกข์ก็จะต้องเป็นเรื่องเช่นเดียวกับเราบำเพ็ญเพื่อดับทุกข์หรือหน้บัติเมื่อพรรนาธรรมะข้อไหนลงมาหรือตรับธรรมะข้อไหนไว้จึงถูกกับกายกับใจของเราทุกทุกท่านไม่มีผิดเพี้ยนไปได้แม้แต่อัคระว่าไม่ถูกกับเรื่องของเรา เพราะเหตุใดเพราะคุกก็เป็นเรื่องอันเดียวกันต่างคนก็ต่างผ่านมาและแบกหามอยู่ด้วยกันทั้งส่วนกายและส่วนใจพูดถึงเรื่องสมุทยัยคือไฟเผาจิตเผาใจเหตุที่ะให้เกิดไฟเผาจิตเผาใจก็มีอยู่เหมือนกันพรนานาธรรมะข้อไหนก็เป็นเรื่องพันานาเรื่องของหล่อ ถ้าหากเราไมา่ได้มองข้ามตัวของเราไปเสียโดยไปมองดูตั้งแต่เรื่องของพระโทธิเจ้าที่ท่านผ่านพ้นไปแล้วด้วยอํานาจวาสนามากมาอย่างนั้นอย่างนั้นจนลืมตัวไปเสียธรรมนเราก็จะมาเห็นเรื่องของเราทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องที่จะพยายามถอดถอนตนเองนึก อ, อบรมตนเองให้เป็นเช่นเดียวกับพระโพธิจา่าผู้สิ้นทุกไปแล้วเป็นพระองค์แรกแลนะตามเสด็จพระองค์ท่านเป็นคนที่สอง เรื่องเช่นนี้ก็จะไม่มีเราถ้าเราไม่ได้น้อมเอาหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงออกทุกบททุกบาท่าเป็นเรื่องของเราล้นหลวั่นแ้วคำว่าโอปัญญโกก็ไม่ไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสะสอนให้ใครทราบคือโอปัญญโกก็คือน้อมเข้ามาพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องไหน ก็ต้องน้อมเข้ามาเป็นเครื่องสอนตนเพราะเรื่องทั้งหมดนั้นสอนเราทั้งนั้นแต่เราไม่รู้วิธีที่จะน้อมเข้ามาผลประโยชน์ก็ไม่มีอะไรสำหรับเรแต่เรื่องกองทุกข์ที่พระพุทธเจ้าไม่คืนประสงค์และมาสอนสัดให้สังสมนั้นแลจักเป็นเรื่องของเอาไปที่ไ ห, ทาาไหนก็เจอแต่ทุกข์เกิดมาชาติไหนก็เจอแต่ทุกข์อยู่ที่ไหนเจอแต่ทุกข์ทไมเราอานาจวาสนาน้อย หมู่เพื่อนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรุ่นเริแต่เราไปที่ไหนหาบตั้งแต่ของทุกมีความโศกเศร้โโาโศกกะกะเราได้สั่งสมสิ่งเหล่านั้นไว้ไปที่ไหนก็เจอตั้งแต่เรื่องของเราเพราะเป็นเรื่องของเราทําไว้มีเรื่องกองทุกข้างหน้าเราจะว่าเป็นเรื่องของใครอีกละ่ะนอกจากจะเป็นเรื่องของเราผู้มีความนอนใจไม่สนใจมองดูตัวเอง ตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกเรื่องของเราว่าอริยสัจคือเรื่องของทุกความบิดพันกรณ์พระองคไทยานก็ ด, มกดีมันมีอยู่กับเราให้พยายามแก้ไขด้วยหลักธรรมะที่พระองค์ท่านสอนไว้การดับทุกไปเป็นลำดับกำลังนั้นจะเป็นสมบัติของเราที่เท่านั้นนให้พยายามเรียนเรื่องของตัวเองให้จบอย่าง เรื่องอดีตจะผ่านมาเท่าไรจำไม่ได้ก็าตามขอให้ถือหลักปัจจุบันเป็นที่ตั้งเป็นสักขีพยานมาผู้นี้แหละเป็นผู้สั่งสมขึ้นมาหรือว่าความทุกข์ซึ่งเป็นอยู่นบบัดนี้แหละกับอดีตจะไม่มีอะไรผิดแปลกข้างหน้าก็จะคือเรื่องของทุกข์อันนี้เองจะเป็นอยู่เช่นนี้นี่เราก็มีจะมีทางออกได้เรื่องความภาคความเพียรเพื่อหนีทุกข์มันหักมีมาเอง เช่นเดียวกับบุคคลหรือสัตว์ที่กลัวอันตรายวิ่งมาหน้าก็เพื่อคานไปเพราะกลัวตายจะว่าเมื่อภัยจะมาถึงตัวจริงๆใครก็ต้องสะเกียก์สะกายจะย่อนนอนยอมตายอยู่เฉยๆนั่นมันเป็นไปไม่ได้สุดวิสัยที่ไหนแล้วใคยล้มตายที่นั่น ผู้ที่กลัวทุกข์ก็ต้องมีความทะเกียบตะกายเชนนั้นทุดวิสัยที่ไหนแล้วก็อ่ามอบไว้กับความจาเป็นที่สุดวิสายจริงๆถักตัวบังกล้าบั้งนี่มันยังมีทางเข้าๆออกๆั้งทีก็ขี้เกียจคิดขึ้นมาบางวันละก็กลัวทุกข์คิดขึ้นขึ้นคิดขึ้นมาบางวันละก็กล้าหานต่อทุกข์ คนทั้งโลกไหนจะไปทุกแต่เราคนเดียวเขาก็ทุกเหมือนกันกันกบเราเราจะไปกลัวทำไมไปตกนรกอเวจีมันก็มีผู้หญิงผู้ชายหาสามีภรรยาหรือโลนิเกละครที่นั่นก็คงจะได้นะเราลองคิดดูที่ไ้กบเคี่ยดหรือเนื้อเป็ดเนื้อไก่นะ่ะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียเขายำแหลกละเอียดแล้วโยนลงไปในหม้อ น, นั่น นเนื้อเหล่านี้มีทั้งเนื้อสัตว์ตัวผู้ตัวเมียแล้วไปหาครอบครัวกันในหม้อแกงหมงไหมหรือเขาโยนกบโยนเกล็ดลงไปในหมอนะ้อมีทั้งตัวผู้ตัวเมียโยนลงไปนั้นตัวไหนม้างที่แสวงหาครอบครัวหาความรุ่นลงในหมอ้อนําร้อนนั้นมีแต่ตัวไหนก็ก็เสือกกระสนจนตายอยู่ในหม้อด้วยกันทั้งนั้นเลยไม่ทราบเลยว่าตัวผู้หรือตัวเมียเขาเป็นตัว เขาเป็นตัวผู้หรือเราเป็นตัวผู่หรือเขาเป็นตัวเมียรเราเป็นตัวเมียไม่เคยสนใจต่อกันเลยเพราะความรุ่มร้อนความทุกข์ความทรมานแสนสาหัสจนไม่ระลึกถึงเรื่องเหล่านี้เลยนั่นเรื่องของกองทุกขที่จะเป็นไปในการข้างหน้าเราก็ควรจะเทียงเห็นจึงจะมีทางออกเรื่องความขยันหมั่นเพียรที่จะแวกป้าหนีทางพ้นทุกนั้นมันก็เป็นเช่นเดียวกับบุคคลที่ไปเจอเสือนั่นเอง เสือก็เป็นสัต น, น้นายใครๆก็ทราบอยู่แล้วแม้แต่ไม่มองเห็นตัวก็ยังกลัวเพียงได้ยินแต่ชื่อไหนเราไปเจอเพียทีเดียวเจออย่างต่างๆแั้นจะยอมให้เสือกินมีอย่างเลยนันก็สุดกําลังที่จะวิ่งจะมีห้าขาก็ต้องไปทั้งห้าขาไม่เพียงแต่สองขาสัดสี่ท้าก็ต้องวิ่งเต็มเท้าของโสด คนมีสองขาก็ต้องวิ่งเ<ม>ต็มกำลังเพราะกลัวเสือนั่นความรักชีวิตมีขนาดไหนความตะเกียบตะกายก็มีเท่านั้นเหมือนกัน<ม>ถ้าเรารักเราสงวนจิตใจของเงามาให้สิ่งที่เป็นฆาตศิษ์มาก่อกวนหรือฉุดลากให้ไปเกิดไปตายอยีกเช่นเดียวกับไปพบหรือให้เสือติดอีกเช่นนั้นเราก็ควรจะพยายามตะเกียบตะกายของเรา ไม่มีสิ่งใดที่จะน่าสงสัยในโลกอันนี้ถ้าผู้มีสติปัญญาพินจพิจารณาแล้วจะเต็มไปด้วยเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเรื่องต่าๆเราจะไปถามโลกไหนเข้าไปไปถามคนจนก็ไปเหมือนกันถามคนนี้ก็เหมือนกันใครจะบ่นตั้งแต่เรื่องทุกเรื่องร้อนเบิกกันเท่านั้นไม่เคยได้ยินเลยเลยว่าค่าเนี่มีเงินมากแล้วค่าอยู่สาบา มียก็ถูกออกถูกใจสามีก็ถูกอกถูกใจลูกก็ถูกปกถูกใจเพื่อนฝูงก็ถูกอกถูกใจสมบัดเงินทองทุกอย่างถูกอกถูกใจทั้งนั้นไปที่ไหนเป็นที่ชอบอกลอบใจฉันไม่มีทุกอย่างนี้ไม่มีไปที่ไหนบนตั้งแต่เรื่องทุกข์กันยุ่งไว้หมดไม่ว่าคนทุกคนจนคนโม้คนชลาไม่ว่าหญิงว่าชายนี้ตั้งแต่เรื่องนี้เท่งนั้น ถ้ า, ากว่าเป็นของดีซะจริงๆตามความมั่นหมายของใจของเราที่เป็นไประเดินน้าของกิเลสถี่รากไปแล้วใครเล่าจะต้องมีคุกพอให้ในบุญกันนั้นเรต้องมีตั้งแต่ความสุขความแต่เดิมเขาก็สุขเราก็สุขเขาก็รุนเริงเราก็รุนเงโลกอันนี้ก็เป็นโลกที่ดุนเริงไม่มีความทุกข์ความลําบากอะไรเลยแล้วใครจะตะเกียกตะกายหาทางออก จากความเป็นเช่นนั้นมาแต่ที่ไหนพระเท่าที่อยู่นี้ก็สมัยพอแล้วแต่นี้มันไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าถักถึงสอนท่านรู้เห็นหมดการผ่านโลกอันนี้ท่านผ่านมาเช่นเดียวกับเราแต่ท่านรู้มากยิ่งกว่าเราเราเหยียบย่ํากันไปเหยียบย่ํำกันมาอยู่ก็ไม่ทราบว่าของดีของชั่วคืออะไร เช่นเดียวกับคนที่ไม่มีความเฉลี่ยฉลาดไม่ใช่เป็นนักคนแแบบธาตุครับคนแล่แบ่ธาตุเดินเหยียบไปเหยียบมาอยู่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเท็จเป็นเท็จเป็นพลอยอะไรเป็นแห่อะไรธาตุอะไรแต่เขาผููที่เป็นนักวิทยาศาสตร์มีความเฉลี่ยฉลาดํานิทํานานในทางเพียงเดินผ่านไปเท่านั้นเขาก็รู้ว่าที่นั้นมีแหน่ที่นั้นมีธาตุ ที่นั่นมีเ ท, ที่นั้นมีทองคนเหมือนกันทําไมเป็นต่างกันอย่างนั้นนี่เราก็กอดสัจธรรมกอดความประเสริฐอยู่ภายในตัวของเรานี่กอดทั้งดีทั้งชั่วเราก็ไม่ทราบว่าจะเลือกเส้นเอาอะไรคอยยกมันหมดทั้งหลังผับปลาเขากินมันหมดทั้งก้างนั่นกินลงไปเป็นยังไง กลางมันให้คุณแก่ผู้ใดไม่เคยให้คุณแก่ผู้ใดนอกจากจะทําอันตรายแก่ผู้ที่ยืนไปโดยไม่พิี่จรมาเท่านั้นอเรื่องความทุกข์ก็เหมือนกันเฉียดเข้าไปกรุงไหนก็ร้อนที่กรุงนั้นโดนไปหมดทั้งตัวก็ตายเั่านั้นคนไม่ไหลวพระพุทธเจ้าท่านสามารถรู้เห็นเหตุการณ์ความเป็นไปของท่านและของสัตว์ทั้งหมดเช่นเดียวกับ นักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยฉลาดและชานาญในหน้าที่นั้นเดินพุทธิไหลูหมดพระพุทธเจ้าจึงรู้เรื่องของโลกเรื่องของทุกประจําสัดแต่ทั้งฐานก็รู้ทัศสาเหตุที่จะเกิดขึ้นมาแก่สัตว์ทั้งหลายให้รับความทุกข์ความตนามานพระองค์ก็รู้สาเหตุที่จะให้เกิดเรื่องความแก่ความความเกิดความแก่ความเก็ดความตายก็รู้วิธี อถอนหรือทางดําเนินเพื่อจะให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้แก่มรรคคือข้อปฏิบัติพระองค์ท่านก็รู้เรื่องความดับทุกข์ด้วยอํานาจข้อปฏิบัตินี้พระองค์ท่านก็รู้พ้นจากทุกข์ไปด้วยอํานาจแห่งข้อปฏิบัตินี้ถึงความบริสุทธิ์สิ้นเทงโดยถ่ายเดียวพระพุทธเจ้าก็รู้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงหาที่ตําหนิพระพุทธเจ้าไม่ได้ นอกจากจะมาตำหนิตัวของเราแล้วน้อมตัวของเราเพื่อธรรมะคำสอนคำพุดใจจ่าเพื่อจะเป็นแนวทางเดินเพื่อความกระเินแต่เราคอยเป็นลําดับลํำดั บ, ดบเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะถือว่าเรานี่เก่งกว่าพระพุทธเจา้านอกจากเก่งถึงเรื่องความโง่เฉาเบาปัญญาเรื่องแบกอาทุกมีเท่าไรแบกเอาหมดเนาะ นอกจากนี้แล้วไม่มีอะไร น, นี้แหละที่หมายถึงถูกทานาโยติให้บรรณาธาิการทั้งหลายซึ่งนี้ก็มีอยู่โดยธรต่างโปได้นนัไปนิดนิดเจนะิและบำเพ็ญตามทัตนกิจกำลังความสามารถของปุญยาได้ลดลยมากน้อยเป็นสมบัติของนาย ของดีมีน้อยก็ก็ดีมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดของดีนี่ใครๆขเขาอต้องการโตได้ทาความเข้าใจกับเรื่องความดีต่อตนเองแล้วอย่างนี้ถ้าจะเทียบออกไปข้างนอกบ้านดีก็ชอบใครเขาก็ชอบที่บินดีใครเขาก็ชอบคนดีใครเขาก็ชอบเด็กดีเขาก็ชอบผู้ใหญ่ดีเขาก็ชอบ ผู้ชายดีเขาก็ชอบผู้หญิงดีเขาก็ชอบมูบ่เพื่อนดีเขาก็ชอบสมบัติอะไรเป็นของดีใครใครก็ชอบที่ว่าของดีแล้วชอบทั้งหมดนเะมื่อเข้ามาถึงท้างในดีในใครจะไม่ชอบนะเรื่องทั้งหลายที่เป็นเหตุผล เ, เราชอบนั่นเรื่องทั้งหลายที่เราชอบนั่นคือของดีให้พยายามอบรมตนให้ดี หากจะไม่ได้พ้นจากมาตาคสงสารไปในวันนี้วันหน้าก็จะได้อาศัยกินแบบนี้เป็นเครื่องพยุงในภพชาติหนนั้นก็มีความสุขความเจริญ เ, เป็นลำลัพธ์ลำลัพธ์แ่แบบร้อนเราก็ มีเครื่องติดบังกายของเราบ้างก็พอทำลราจะไม่ร้อนเสียทั้งตักเพอาศัยอานาจวาสนาบารมีที่เราได้สร้างมาเป็นเครื่องติดต้องกาบังและตดทั้งหลายเมื่เราเผาเสียหมดทั้งหลายงานวิญญาก็ทําติดอย่างขออำนาจคุณพระตนไราอิาคุ้มครองท่าทั้งหลาย มายเอียดทั้งสี่คือย like ืนยนตั arten, ้งนานให้เต็มตไปด้วยพระธรรมะของพระอรหันต์และให้ถึงนผู้มีโอกาสวาระอันเนื่ได้บำเพ็ญกุณงาความดีตลอดไปด้ยความสะดวกจนถึงจุดหมายปลายทางโดยที่นมากสัมเพรย์